ขัดแน่ปวดอาแตรพลังปวดมันมัมีโลกมวันนี้จะแกสิ่นี้ร่องมังมงมนเปนไ่เหเขียนบ้านนั้นก่อนแก้มื่อ้านคุยมีแสดงอาการกำออาริบถึงความผิดอะไจากการคอาเสิน์ตมึที่สั่าพระจะมาใหม่ ม, มีที่ไหนบ้างมีกี่วงศาไหมไป อยู này. À. À. À. Này. ่วัดไหนวัดูเกวัดูเกบุรภษคู่บุญบุญไหนจังหวัดน้อาจัน์ีงสจังหวัดไหนนออ๋อต้องนสังเคู่บุญบุญ บุญไหนน้ะซื้อเดิมซื้อว่าไงซื้อบุญดิขายยาว่างไงปัญญาไม่เาเรื่องมบบุญบุญไหนฉันเขาคนเดียวที่จะขอนยุบยุบัดที่เดียกวฝาฟาดอาขนอน นี่เป็นอะไรไขอกรรมฐ า, านเรานั่นแหละแน่เลยไปหลยไปแล้วนี่ร่องผมตายไปอยู่โน้นเล็นคุณนคาเด้แต่นี่ผมเห็นว่ากรรมฐานทั้งหลายแต่ระวังยินหนิหละถึงช่วงขั้นแม่นั้นนีแหลกไปหน้าหน่นี่เอาเขาาท่านที่เหลเลยมลมันเหมาะสมใเขาเลยเลย ถามเหตุถามมมาว่าผู้ใหญ่ผู้หน่อยมแม่สำคัญสำคัญในถ้ำทำ้มเราไปถามเพื่อทำหน้าและถามเพื่อการสงเสริว่าถามวันไหนวันไหนเหมือนกันเห็นท้ำแปลกๆกันมากเขาหล่นเย้ยถามเล ย, เลยแม่ถ้ามาต อ, องเพลินเหมือนกันอีเขาพวกปริญญาเข้าไปบกุกมีหน้าเห็นหมฮะสองขึ้นสามขึ้นไปหาลงภูเขาเลยเนี่ยถามเพิ่มเพิ่บอกคนบริญาเของมาเหตุเอง อย่างไมมาเห็นไรเนี่ยยักษล่าก็ม่น่าเหตุมันพอกินพุ่นเป็นสันสี่ผมยังลงกูด้ขุนว่งฝุ่นผมาอยู่งเหรอเหตุการคนในามากเลยว่ะบ้านมาสมเรื่องทาได้สิหายในวงสัตกรรมฐานตัวนี้ว่าเยอะมาได้ยยอะมากเลยดับไม่ไล้ที่ต้องหาดัดไม่ด้เรื่องกู้จันทร์ตันนี้การเขาก็จะไปทำบนดวงวิญญา กินม้วนมาพั 200, 300, 200, านสองรอยสามร้อยม้วนามาผู้นั้นจะทา ง, งานผู้านั้นจะเอางานผู้านั้นจะเอางา น, า น, า น, า น, านว่าผมมีคนมากกาสิบแล้วเพราะเขาหามไปอยู่ได้เขามากสิบเล่าเล้าก็บไปหาเพื่อนเรื่อเลยเนี่ยแน่ไม่ได้นะห้อเขาไปกัก้าบเรื่อถามเหตุผลหล่นแล oh, oh, oh, hey, ้วเพื่อนเขาบอกหมดโอ้ยจ้เฮ้ยมึงจะได้เนเนี่ยว่ะเลี้ยงมันไปยังที่แล้วอ่ะไม่จะขึ้นเรือเอนี่ว่ะวางันนี่นนยโอ้ไ่ได้ไม่ด <laughs> หายไที่แหลกมโนว่องกรรมฐ า, านอ น, นี่จะทำบนนอยยู่มดมกันนะกวนกันมากกินมากยุ่งกันยหนีละ่ะมันมีได้เรื่องกินเรื่องขีานันได้หอเาอาช่เนี้ยโอไม่ได้ไม่เนควายโตโก็ทานี่ได้เยอแต่เ น, นี่ยโยกกันว่าเอานี่ได้แล้วนี่ขู่อาจารย์ตลาดจะผ่ามได้พูบ่าามได้ดอกหลังงี้ลยลอยู่บนนี่ได้หอโอ้ไ่ได้บ่ได้ต้องทมมเลยเเามา่ค่ังเสียงเงียบเลยดิละนั่งคนเอาเลาได้หรือมือแรกผมบูชาคน การเลียนเรื่องใดเรืหนเ่งคนบุค่พัคือเราแน่ใจในเหตุผลในหลักธรรมล้วเด้ถ้าบอมีแสงไม่แงเลยแสดงคนบุค่อยใจคนมักจะเป็นนั้นห้าวกระเบิดน้ำเสียปอเยอบุเขาเร็นด้วยบ่เดือด้วยบ่ติดด้วยนี่ันนี้เปลี่ยนยังไงนี่หลวงปู่ฝันเขาเคยถ่ายหนแล้วย่างเสียงกับีเอาเป็นความผิงของนี่คนบุเห็นคันผู้คนมุงเหมืนทําไปแล้วเรามุงมนทําอีแล้วหนิฮะคน แล้วมุ่งทิถิมาหน้าโอนู อ, อัจฉริยเนี่ยมุ่งเพื่อการรักษาวนยันทนเอาลงเนี่ยเพิ่งได้ผลอยูด้วองคุอง ค, ค, คุนมันเี่ยวข้อยึดขนยด้วยนี่แะขงเราเขาตายนี่นเป็นยังไงหูฉาบเลยหรอมันขืนูป้องผูแเปลียวแนวถึงเพว่าบอกว่าระวังมันกับมันกัเป็นความกิยงยิ่งงั้นทำนี่ข้มเที่ยวย่องกันนี่แล้ว เขาเข่าถึงเข่าถึงมาได้ท่ามเพื่อประโยชน์อะไรส่วนเสียมันมีมากมีน้อยขนาดไหนบวกโรค ก, กันดูสิถามว่าส่วนได้ไม่มีทําขึ้นทําไมเนี่เอาเป็นหัวข้ออันสีวงกรรมฐานเราต้องเป็นว ง, งเงียบเงสงัดหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติในการากูดคิดปฏิบัติศีลธรรมและกิจกรรมภาวนาเป็นหลักใหญ่ของพระกรรมฐานวงพรที่เจ้า สาวกทั้งหลายถ้าดำเนินมาจยางนั้นเรื่อนี้เป็นวัตถุเครื่องอาศัยทำไมจะให้มันเป็นใหญ่เป็นตัวมาเหยียบย่ำหัวใจแหลกเลวไปหมดอยู่ที่ไหนมีถึงเรื่องวัตถุเหยียบย่ำเข้าไปเหยียบย่าหันไปเมื่อตื่นกันตื่นวัตถุ ก, กันวันเรานี่ยลองเปิดโดยทีเนี่ยมันแหลกประนานนอะืาถ้ากุฏิคนนั้นจะเอาหลังคนนี้จะเอาหลังทั้งเป็นของส่วนตัวทั้งจะมาถูกให้พระเอายุกี่ชั้นมากมาก็มากมาติดต่อเราแล้วไม่ให้ ไม่มีใครเป็นใหญ่ยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นหลักปกครองโลกเล่าตรงนั้นนะ่ะแล้วเรื่องของบุคคลเข้ามาทำลายมาเห็นแก่นหน้าโมกโหโลกณะอย่างนั้นไม่ได้แหลกหมดส่วนใหญ่เมื่อส่วนยอดไปทำลายส่วนใหญ่ให้แหลกหมดแล้วจะอาศัยอะไรเนี่ยคนส่วนไหนเขาตามต้องพึ่งส่วนใหญ่หลังใหญ่คือหลักปกครองทำวินัยของคุณเจ้าทำให้โลกเสียหายที่ตรงไหนไม่เห็นมีนี่มีแต่โลกมันทำความเสียหายแก่อาจจะทำให้แต่ตัวเองเทานั้นมี่รังใหญ่นี่ตรงนั้นต้องในระมัดระวังเสมอ ตื่นอะไรปัจจัยสี่ฟังซี่ปัจจัยยังเครื่องอาศัยเครื่องสนับสนุนประกท่นั้นถ้าเราถลาดเขาเพียงเครื่องอาศัยให้เป็นความสะดวกถ้าไม่ฉล า, กล า, กกาลดกนะ็นี่แล้วมันฆ่าคนสักการโลวิสังหันติดนะฟังดิ่นี่แหละมันฆ่าคนไม่ฉลาดโง่ต่อมันก้มหัวมันไม่เหยียบออกเหยียบออกแหลกก้มต่อทำสิหลักธรรมเ ร, รมาขึนไหนมี่รงไหนนั่นลักษณะต า, าอยู่ตรงนั้นให้ยึดตรงนั้นนะท่านว่ายังไงนั่นลักษณะต า, าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น ความเลือนความมิสูดวิเศษจะอยู่ตรงนั้นเดินเข้าไาก้าวเข้าไปทุกข้ากลําบากไม่สําคัญเป็นเรื่องของกิเลสมันกีดขั้นต่างหากความเห็นว่าทุกยากลําบากอย่างนันอย่างนี้นี่จะเรื่องของกิเลสมันกีดมันกันไม่ให้ก้าเข้าสู่ความดบค ว, มดความดีซึ่งเป็นทางอันเลิ่อนอันมิสตลอดถึงผลเลืออ่อมิ ส, สูดทิวพระเจ้าทรงแสดงไว้และโกงก็เคยประสบพบเห็น ม, มาแล้วอย่างประจักรพรรดิด้วยความฝ่าฝืนกิเลสต่อสู้กิเลสมาล้ว มันต้องเอาจริงวาจังนี่นักปฏิบัตินี่มองไปไหนมันขวางตายตลอดเวลาฟังขวางหูมันคึกมันกระนองนั่นเองเดินมาท่านมันก็ได้ยินเสียงแปลกๆนี่เปไงตามองไปมันก็ขวางตาไม่เป็นไม่ใช่กิเลสขวางทางจะเป็นอะไรไปถ้าทำแล้วไม่ขวางถ้ากิเลสแล้วขวางไม่ว่าจะมันจะผ่านมาทางหูทางตาทางไหนมันขวางเพราะนั่นเป็นเรื่องกิเลสมาเคยลงรอยกับธรรมเลยให้ทราบ ทุกคนมาศึกษานั่นแหะที่ว่ามันขวางอ่ะคืออะไรมันทําลายตนแล้วนะ่ะคนอื่นยังก็อยู่ไกลยๆยังไปมองเห็นเจ้าขางองเองยังไม่รู้มันเผาอยู่แล้วนะ่ะการปฏิวัติธรรมไม่ต้งเกียตตัวเองต้องเกียตอะไรศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่กับธรรมศาสนาเอออย่าไปคิดการโน้นการนี้ทว้าน้ำเหลวตื่นข่าวกาัน ให้ดูอาจดูธรรมท่านสอนว่ายังไงยังไงนั่นแหละคือองศาสดากำลังเสด็จต่อหน้าเราเห็นดูรู้ประทัดอยู่ต่อหน้าเราตรงนั้นมีอดีตอนาคตที่ไหนสจะจะทำเป็นความจริงตลอดเวลามันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนไม่เห็นปรากฏนี่แล้วกิเลสมันมีอดีตอนาคตที่ตรงไหนมันเหยียบย่ำหัวใจของศัตว์โลกมาตลอดไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันมาแล้วโลกมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสมันครอบหัวโลกมาตั้งแต่นั้น มันมีสมัยมีการตี่ไหนเวลาเราทาไปแก้กิเลสทำไมสัตว์ดาอยู่ตรงนัน้นสาวโอยู่ตรงนัน้นทำอยู่ตรงนัน้นแล้วจริงกมันมาความมาแก้กิเลสแล้วคว้าก็ไม่ทานกับผู้ที่อภิญฐานไปนานแล้วว่านั้นนี่เละมันหลอกเอาหลอกเอาหลอกเอามันเยียบหัวคนอยู่าง ใ, ใกล้ๆทำไมไม่ดูมันกิเลสมันไม่เห็นมันไปไหนทําจะมาแก้กิเลสทำไมอยู่ไกลนะ่ะฐาธนธรรมสอนว่ายัางไงนั่นละ่ะเครื่องแก้กิเลสอยู่ตรงนั้นศาสดาอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระสวดล้อน ทำแล้ววินัยนั่นแหละจะเป็นสตดาษแต่เราถาโคตรเมื่อเราผ่านไปแล้วน ะ, ะสดสดร้อนร้อนร้อยเปอร์เซนนี่ยเรายอมคราบลาบเลยียสอนตรงไหนเริยนดาเนินแต่นั้นเห็นตรงนั้นถ้าตีแกจากนั้นตรงไหนก็ทีเดียดเหยียบย่ําตรงนั้นเอาไปกินตรงนั้นแหละอืมที่เหลวมันซอยอันมันหั่นหอมหั่นกระเทียมอยู่บนหัวเราทุกวันทุกวันเห็นไหม แล้วเอาทำมาเขาไปหั่นหอมมันก็เตรียมฟัดหอมกิเลศลงมายำดูกินทุกทีสิอร่อยไหมกินนม่นกิเลศนี่กิเลศกินเราแล้วก็ยิงมามากๆเรื่อยๆลหลายๆไปหมดมันกีดวมมขวางหูของตามไม้พูดเฉยนี่แหละพราอมองเห็นท่ามันจะเห็นแล้วแน่ช่ว่าไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะเพ่ ง, เพงโทษเพ่งความหมูเพื่อนในเราในฐานะสาวสองหมู่เพื่อนในฐานะเป็นนากรัฐสอนด้วยความเมตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่าง มองดูด้วยความระมัดระวังมองด้วยความรักความสงวนมองดูหมู่บ้านไม่ได้มองด้วยความเกลียดความจังนี้นะอืมมองดูด้วยความเมตตาสงสารจริงบอกข้องตรงไหนรีบบอกรีบบอกมันเกินเกี่ยที่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะความากกว่ามากไม่มีปากเดียวมีตาเดียวหูเดียวเท่านี้มันไม่ไหวกันนิ่งมันคนใบ้าคนบ้านนี่ได้เสียทานไปเฮ้ยพยาจะพูดเรื่องของไม่ทราบจะพูดอย่างไงถ้ามีสีปากนี่โอ้ไม่ได้อยู่ปากแหละ Ough, คนน uh, ั้นเคลื่อนตรงนั้นคนนี่เคลื่อนองนี้นั่งองค์นี้รับปากนี่จะต้องว่าคนนั้นปากนั้นไหวตรงนั้นอยู่นี่ตลอดมีสามสิบคนก็เราต้องตักสามสิบปากมันจะได้ว่าทุกทุกคนปากนี่ไหวองค์นั้นปากนั้นไหวองคนี้มันเลยตายตาของทั้งกันมันต้องมีกี่หลายๆลูกตาลูกตายแม้ท่านมันไม่ทันมันรวดเร็วเรื่องเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วขนาดนั้นแหละทํำจนมองไม่ทันเรายังไม่รู้อยู่เลยว่ากิเลสมันรวดเร็วยังมาสบายอยู่เล สอนหมดแล้วเรื่องกลมยาวกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนสอนไม่หมดตามในเทมอะไรก็ดีนั่นแหละความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะสร้างเอาฟิดเข้าไว้สิสติปัญญาไม่ต้องบอกไม่ต้องถามใครแล้วมันจะรู้คุณภาใจนี่กิเลตมาไม้ไหนธรรมะไปไม้ไหนมันแก้กันตรงไหนตรงไหนหลายสันร้ายกลมขนาดไหนกิเลตธรรมะร้ายสันร้ายกลมขนาดไหนมันทันกันยังไงมันค่ากันยังไงบอกอย่างนี้แหะที่เดียวปัญญาของธรรมมันผิดกันกับปัญญาที่ศึกษาเราเรียนมาเป็นคนลโลกจะว่าอะไร เราเรียนมามันเป็นความจำปัญญาเป็นออกจากเป็นความจำปรธรรมดาที่อ่านธรรมดานี่เป็นเรื่องของโลกปธรรมดาแม้ธรรมกับธรรมพื้นๆธรกับพี่ถ้าลงเป็นปัญญาของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วภาวนามายปัญญาเอาดูสินั่นแหะภาวนามายปัญญาแท้นั่งนั้นก็เป็นหมุนี่อยู่เป็นของตัวเองเป็นของตัวเองไม่ต้องเป็นรัามาจากใครอ้าวข่าสึกมันขึ้นมาตรงไหนสติปัญญานี่เป็นของตัวเองจะขึ้นทันทีทันทีทันทีตามกันในต่าง จนกิเลสแหลกละเอียดไปหมดไม่มีอะไรเหลือนะนะครัะปัญญาซึ่งเป็นของตัวเองปัญญาในธรรมมาทางภาคปฏิบัติแท้เป็นอย่างนั้นนะเอามาข้ากิเลสด้วยภาคปฏิบัติปัญญาภาคปฏิบัติเพื่อนๆเขาต้องอาศัยสัญญาณซะก่อนเมื่อมันยังไม่เกิดนั้นถ้ากล้าเข้าไปมันถึงเมื่อมันเห็นสิท่านพูดวันนี้ท่านครูหงอะไรศาสดาเป็นโอโคหกโลกหรือคแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์โอโหกโลกหรือมันต้องไม่ถึงใจเราเหมือนกิเลสมันย่ำหัวใจตลอดเวลา เนี่ยคุณน้องอะเนี่ยเอาละพอการนี่ทุกวันไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่เาพูดไปพูดไป